ธรรมะสนาคตถามนี้ออกมาจากวิธีการอย่างนี้ธรรมะที่ในปรากรขึ้นมาหลัทงทางสนาคตถามีท่านปฏิบัติอย่างนี้ทั้งนั้นท่านไม่ทําเล่นๆนี่เราได้เคยเคยพูดเสมอให้เป็นที่ลงใจขมู่เพื่อนให้ถึงใจว่าไม่มีการปราบปรามไม่มีการต่อสู้ไม่มีงานใดที่จะหนักยิ่งกว่างานปราบปรามกิเลสต่อสู้กิเลส ถ, ถอนถอ น, นกิเลสภายในจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่แหลมคม มามาเป็นเวลานานบนหัวใจสัตว์โลกเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายจึงต้องยอมจำนนโดยหาทางต้านทานไม่ได้ไม่คิดไม่สำนึกในในโทษของมันจึงไม่คิดสนใจที่จะหาวิธีต่อต้านยอมมันอย่างราบริกรรมทั้งนั้นทั้งสามโลกถาติไม่มีใครจงกูใครนี่พระงุทธเ้าพระองคเยวเท่านั้นตง้ง สุดค้นศาสตราอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับเรื่องของจิเลศได้รงเห็นข้โพษของจิเลศมีความเกิดแก่เกิตายอันเป็นผลของจิเลศเป็นสำคัญที่พระองค์ทรงทราบค้นจหจนเจอถึงได้มาให้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติตามวิธีการของพระองค์ซึ่งเหมือนกับ อะไรก็ปรับปรุงมาเรียบร้อยหมดแล้วมีกระจร้ามือเปิดเพราะนั่นมันก็ขี้เกียจมันก็หมดท่อนทางอ่ะถ้าลงเป็นอย่างนั้นแล้วสาขาตัวพระ ก, กวาตาธรรมโมไม่เรียกว่าปรุงเป็นรูปสําเร็จรูปมาแล้วจะเรียกว่าอย่างไรคัดค้านทำมูขเจ้าที่ทรงสั่งสอนมาแล้วนั่นคัดค้านได้ที่ตรงไหนไม่ว่าทำบุตรใดบาทใดขัานใดภูม่มใดของธรรมเป็นสาขาและธรรม ล, ล้วนๆทั้งนั้นจะเรียกว่า กรงมาเรียบ้ม้แล้วได้งไงถ้าเป็นอาหารก็พร้อมเแล้วที่จะรับทาน<ม>เพียงแค่เราจะล้างมือมาเปิบเท่านั้นมันก็จะตายแล้วจะทำยังไงนี่เราเพียงจะปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไม่เท่านั้นก็เป็นไปไม่ได้ยังคอให้แต่กิเลสเหยียบย่ทำทําลายตลอดเวลาทั้งขณะที่ประกอบความภาคเพียงอยู่ด้วยท่าต่างๆก็มีแต่เรื่องของกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดมาไม่มี เรื่องของธรรมได้เยียดย่ำทำลายกิเลสบ้างเลยแล้วเราจะหวังเอาความชนะกิเลสได้ที่ตรงไหนเราจะหวังความหลุดพ้นไปได้ที่ตรงไหนมันไม่มีทางทนักปฏิบัติไม่จริงไม่จัิงต่อสู้กับกิเลสด้วยความเห็นโทษของมันและด้วยความเห็นคุณค่าของธรรมในการต่อสู้สาเหตุและผลของธรรมคือความเลิศประเสริฐที่หลุดพ้นจากกิเลสซึ่งเป็นเครื่องปกฏิบังคับมาเรือนานแล้วเราหวังเอาผลประโยชน์อะไร ต้องเขาอย่างนั้นเลยนี่นเคยต่อสู้มาแล้วมันถึงได้ได้พูดอย่างเต็มปากให้หมูเพื่อนตังก่อนก็ไม่ได้คิดอะไรมากแตเวลาได้เข้าต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้แล้วถึงได้รู้ว่ามันหนักหนักจริงๆหนักแทบล้มแทบตายมั <c oughs> นมีเวลาที่จะมองดูเมฆดูหมอกเดือนดาวตะวันได้เต็มหูเต็มตาคิดอะไรได้อย่างสะดวกสบายใจเลย เมื่อกิเลสดังครอบหัวใจอยู่มีแต่เรื่องการกระตบกระเทือนในการเหยับยั้ยทางนายจากกิเลสและการต่อสู้กับกิเลสไม่ลดละเท่านั้นถึงพอมีช่องมีทางอะไรจะแหลมคนยิ่งกว่ากิเลสก็เคยพูดแล้วนี่มันแทรกออกมาทุกระยะระยะทั้งๆ ท, ท, ที่เราคิดในแง่อันเนี้ยทําแี้ยมกิเลสแทรกมาด้วยนี้แกะแมาด้ว ย, วยถ้า ส ต, ติปัญญาไม่ฉลาดแล้วผมจริงไม่ทันกับภรรยาของกิเลสที่แทรกทํามาเดิน ด, ดํางแบบเหมือนอย่างราธีเขาแทรกทำเอาศาสนาเนี่ยทักเหยาะศาสนามาในตัวเอาศาสนาออกเป็นโลกบังหน้าไปเรื่อยแล้วเหยาะศาสนาไปในตัวนี่ ก, กิเลสก็เหมือนกันแล้วว่าเราทําความเพียรเรื่องของกิเลสมันแทรกออกมาในความเพียรของเราเนี่ยเราไม่ทราบได้ไม่นานก็เดืยวหงายลงเวทีไปแล้วต้องคิดให้มากผู้ปฏิบัติเราดูเฉยเฉย นักปฏิบัติไม่คิดไม่ใจไม่ตรองไม่ขยันมันเกียนไม่อดไม่ทนไม่มีใครทาได้ในโลกนี้เพราะศาสตร์นาอุงเอศเอศทุกอย่างทางฝ่ายการบําเป็นถ้าปฏิบัติก็ไม่มีใครสู้ไม่ว่าจะเป็นความภาคเพียนความอดความทนความพิจารณาใจจรองทุกแง่ทุกมุมอันเป็นเหตุแห่งความดีแล้วพระพุทธเจ้าทรงเลิศโลกนั้นจึงได้ผลอันเลิศโลกมากสั่งสอนโลกให้ ได้พอลืนหูลุมตาดั้งบ้างอย่างพวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติคือเวลนี้งันจะถือว่าเราเป็นคนลาได้รับความลำบากลำบนไม่ได้คำานึงถึงผู้เจ้าผู้ทรงบาเพ็ญหรือบุกเบิกมาก่อนบ้างแล้วมันก็หมดทั้งทางมาคิดถึงจะแต่ตัวลำบากอย่างเดียวนั่นแหละคือทางทอสถอยทางแท้จะอยู่ตรงนั้นหมอนนี้ทาจาเป็นมาจิตใจจะทอถอยด้วย อาการใดโดยกลมายาของกิเลสเราต้องยกทำขึ้นแก้เสมอเสมอนั่นจึงเรียกว่านักต่อสู้พติปัญญาพ้นคิดมาแก้กันในเวลานั้นนี่เอาให้มันเห็นนะท่านอย่างนี้สิเดินตรงกลมยืนสถานที่นี้ไม่มีเสือไม่น่ากลัวพราอยู่ในป่าที่มีเสือเดินตรงกลมีเสือตะหินตะหินขึ้นท่านท่านตรงตามบริเวณเหล่านั้น งา น, นตัวสัน่นขึน้นแล้วน่ะเรื่งไงตัวสั่นแล้วมันต้องมีทางออกเราที่นี่ที่เหลือน่ะไม่ใจะทําำหาทางออกนะาหาทางออกคือที่เหลือนี่เป็นเรื่องของที่เหลือจะหาทางผูกมัดเราตัวตัวตายนี่ที่นี่นสติปัญญามียังไงฝุดพนขึ้นมาท้ายเวลานั้นเอามันจนเดินจนคงแข่งเสียงเสือไปได้ยอย่างสบายไม่สะทกสะ้านนั่นถึงที่ว่าหนักต่อสู้ด้วยสติปัญญา ตามหลักธรรมี้สลิมคือไม่ใช่ต่อสู้โดยบอกแต่ ว, ว่ามอบให้เขาไปไตีเอาไตเอาเถื่อนทางต่อสู้โดยวิธีการความยียบาขางตนเองนี่อย่างนี้เป็นก็เป็นเรื่องสาคัญอันหนึ่งเป็นมุบายที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้นมันจนกรอกคือเราไม่ถอยนี่ถอยขึ้มามันก็ได้ใจแท้เนี่ยอยู่ไปให้หนักแผนดินทำไมไม่ได้ยนินเสียงเสือตื่นหุนโดดเข้าหาที่พักหาที่กํำบงังหาที่หลบภัยเข้าใจว่าตนฉลาด มันโง่จะตายแล้วนี่ถ้าเป็นนักธรรมะเดี๋ยวเาโง่จะตายนักศาสนาทํายังไงจึงจะไม่หนักศาสนาวะถ้าต้องจอดที่โดยวิธีการนั้นนี่เอาตายก็ตายโรกมีเป็นโรกเกิจเกดจากเจ็บตายเราตายในสนามโลกไม่เป็นไรเสือกินเราแล้วมันก็จะตายเหมือนกันเยถ้ากินธาตุพิจ น, นามันแย่ออกไปทุกเนี่ย ท, ทุกมุมสุดท้ายมันก็จิตใจก็เสงหาพาเผยจึงมาอกอาจเจ้าหันขึ้นมาค้นห า, าเรื่องความตายมันเลยไม่มีมีแต่ธาตุสี่กินน้ําลงไป คนขุดกันไปขุดกันมาจนกระทั่งจิตมันตายไม่เป็นมันกลัวหาอะไรมันตายไม่เป็นไม่ใช่ที่เหลือหลอกจะเป็นอะไรหลอกนี่วะนั่นมันรู้แล้วเดินอย่างสง่าผ่าเผยอ้ามันเดินสมมติว่าเสือเดินสมาธิทางตรงที่เรากําลังเดินนั้นไม่มีขอยเดินเข้าไปรูปคำหลังมันจะได้เลยนี่เผยทรมานมาดูขีดั้งแบบนี้นะถึงเลืกล้ามาพูดให้หมู่ื่อนตังเอาริงเอาจังอังที่ว่าเดินบุกป่าฝ่าดงไปทางท่อมนเี่กับทํานี่เป็นอะไรพูดอวดหาประโยชน์อะไร ผู้เชื่อเป็นคติเราได้ผลอย่างนั้นเราก็หาบาวิธีการตามที่ผลมาลั่นมาสังสอนหมูเพื่อ่ผมก็ตนเป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะให้คติแก่หมูเพื่อนได้มากน้อยเท่าไหรก็ต้องนํามาสอนเราไม่สอนแบบโอ้อวดไมได่สอนแบบไม่จริงเอามาสอนเราทํามาจริงอย่างนั้นแล้วได้ผลมาจริงๆด้วยเห็นชัดทุกครั้งไม่มีทราบก็ลงได้เจ็บกินได้เด็ดแล้วอ้าวขาดหัวใจจะขาดขาดไปชีวิตจะขาดขา ด, ขาดไป ในเรื่องการต่อสู้ไม่ถอยนักรบถอยไม่ได้พระจะความจริงมีอยู่ภายใ น, ในใจิตใจแพ้ไม่ได้ตายก็ตายเถอะแต่อย่าอยากให้จิตได้แพ้ก็แล้วกันร่างกายนี่มันสิบีไสเอาจะอะไรเอาไปจริงเอาไปจริงแต่จิตใจซึ่งเป็นนักต่อสู้เพื่ออัศว์ทำเพื่อชัยชนะนี้จะถอยไปไม่ได้นั่าหนักเข้าหนักเข้าก็ล้มละลายที่เลืความกลัวอะไรๆแตกสารท่านเจองไปหมดทั้งเหลือแต่ความสงา่าผ่าเผยด้วยสติปัญญาองค์อาจกล้าหาน รับตัวที่นี่ไม่มีตัวอะไรเลยแม่เสือจะเดินเข้ามาต่อหน้าต่อตาเดินก็ไปหามันได้อย่างสบายไม่มีสตุส้านนั่นฟังซิมันเป็นอย่างนั้นจริงๆรีงจินเวลามันตัวเหมือนตัวสั่นมันเหมือนจะตายจริงในขณะนั้นเฮ้พอจิตทรมันความปวดได้อย่างไปจากแล้วสามขหารเกิดขึ้นมาึงเหมือนกำลังจะตัวสั่นนะอ่ทีนี้อะไรเข้ามามาเธอโน่นน่ะมันอาหารท่าทายเสือเดินเข้ามานี่เราก็จะเดินเข้าไปหาเสือได้อย่างสบายไม่จะสตุส้าน เสือจะเอาไปกินหรือไม่กินมันไม่ได้คิดนะมันทราบอยู่เป็ทชัดๆางในิตใจว่าไม่มีสะตว์กษาปา์ไม่มีตัวเลยเดินเข้าไปรูปคำหลังมันได้อย่างสบายอ่อนนิ่มในหัวใจถ้าพูดถึงเรื่องอ่อนก็จะพูดถึงเรื่องแข็งก็แข็งแกร่งเลยครับไหมนั่นมันเป็นจิตมันได้ลงถึงที่มันเรมันอ่อนก็เลยกายเป็นความเมตตากับสัดไปสัพเพตตาเนื้อสัตทั้งหลายนี่เข้ากันได้หมดไม่มีว่าสัพเพตตาสัต์เสือจะกินหัวคนไม่มีอื เปนนั้นมันก็แสดงให้เกิดความกลัวอันนี้มันไม่มีเนี่ยสัตยเพตามสัตว์ง่าที่เป็นเพื่อนชุบเกไปเจร่ญตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นมันลงนั้นดังถึงใจเลยเดินอย่างสง่าผ่าเผยเนี่ยอะไรจะมามันก็ไม่เคยสนใจเลยที่มีแต่ความรู้ที่มันเด่นดวงอยู่ภายในร่างของเราเนี่ยอะไรจะมีอำนาจยิ่งกว่าหัวใจเวลาฝึกฝนทรมานได้แล้วนี่ก็เป็นอุบายวิธีหนึ่งที่เคยได้ทําทําได้ผลมาแล้วนี่อย่างเด็ดเล็ดนี่ก็เป็นเด็ดอันหนึ่ง คือเอาชีวิตแรกเลยถ้าเอาตาก็ตายไม่ถอย เ, เดินหนุกป่าฝ่าดงไปนี้เอาจนมันได้เหตุได้ผลไม่ได้เหตุได้ผลไม่กลับใครจะเป็นบ้าว่าบ้ากาบท่านเถเราไม่ได้เป็นบ้าเราทรมานกิเลสของเราต่างหากนี้ก็ได้ผลไปด้วยความกลัวกลับมาด้วยความกล้าหาญชาญชัยตัง่า่าเผยมาเดินตรงอย่างสบายรู้แล้วคนวมายาของกิเลสหลอกกูหลอกอย่างนี้เองมันรู้อย่างนั้นชัอเกิ ด, ข, ดขึ้นมาข้างหลังเอาเลยนั่น มันเคยได้ผลมาแล้วนี่มันได้เห็นทางชชนะมาแล้วเหลือเอาอยู่เหลือวันนี้มอบเลยเทีเดียวน น, นี่ก็เป็นเรื่องเด็ดอันหนึ่งที่ดปฏิบัติมาได้เด่นในจิตใจเจ้าของอีกก็ระจากไม่เคยลืมเลยก็คอือนี่วิธีหนึ่งวิธีที่สองก็คือ น, นั่งดังที่เคยพูดให้ฟังแล้วนั่นโคกน้ําแม่มันแสนสหาหัสเหมือนตัวสั่นไปหมดทั้งล่างเลยกระดูกทุกชิ้นทุกขั้งมันจะขาดสะ บ, บั้นออกจากกันให้ได้ แต่สําคัญที่จิตมันไม่ขอให้จากสัจะทําในวงของทุกขเวทนาเป็นต้นซึ่งเกี่ยวโยงกับา ก, กายแยกตายแยกเวทนาแยกกายตามสัดส่วนให้มันที่มันมีความทุกข์มากน้อยอยู่เชียงไรตรงไหนเป็นจุดสําคัญแห่งทุกที่เกิดขึ้นแยกแยกอยู่ตรงนั้นสติปัญญาหมูนติ้วติ้วตรงนั้นทาว่าหายไม่หายไม่ต้องไปสําคัญเสียเวลาเอาให้มันเห็นความจริงมันเกิดขึ้นจากที่ไหนทุกไล่กันไปไล่กันมาทรงนั้นถึงหนังเนื้อเองจะดูกอะไรเป็นทุกข์แยกดูเวทนา เวทนามันบอกมันเป็นทุกข์ไหม่มันก็ไม่มีศักต่ว่าเป็นความจริงอันหนึ่งฉะนั้นเวลาันพิจารณารอบกันแล้วกายก็สักระว่าเป็นกายอาการแต่ละอาการเป็นศักระว่าอาการแต่ละอาการนี่เป็นความจริงตามหลักธรรมชาติของตัวอย่านั้นเขาไม่ได้ว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาทุกข์เขาลําบากทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาเขาก็ไม่หวังจะมาให้ร้ายต่อผูหน่งผู้ใดมันเป็นความจริงแต่ละอย่างอย่างเวลาปัญญาสอดแทรกเข้าไปให้เต็มที่เต็มฐานจนเข้าใจได้อย่างชัดเจนแล้วต่างอันต่างจริงตายก็จริน ตามสภาพของกายเภทนาก็จกินตามสภาพของเบทนาจิตก็กิงตามสภาพของจิตและมาเห็นโทษทางความหมายความสําคัญมั่หมายของจิตนี่กระแสะของจิตมันออกไปสําคัญมา่หมายพอไล่กันเข้ามาไล่เข้ามามันมีที่ไปแล้วผมวิ่งเข้าจิตเข้าไปสู่ความจริงเขี้ยนูอยูอยู่เท่าไหร่ก็อยู่ได้เนีย่ยฐานทางใจเต็มที่อย่าว่าจะทุกขเวทนาเพียงเท่านี้เลย ในเวลาตายยังจะหนักกว่านี้ถ้าลงขนาดนี้สู้มาได้แล้วเวลาตายจะเอาอะไรมาสู้วนะเนี่ยทีตอนนี้สู้มาได้แล้วมีอย่างหนือที่จะไปสู้กันในขณนะตายนั้นหาต้องสู้ให้รู้ในเวลานี้นี่ก็คือสัจะทําเวลาจะตายก็สัจธรรมถ้าไม่รู้สัจะทําตรงนี้เวลาตายก็หารู้สัจะทําได้ไหมฟนะาดกันหนึ่งกันหนึ่งแต่ขณะนั้นจิตจะออกไปไหนไม่ได้นะจึงเรียกว่าเข้าสนามรบตะลุมบอลจะแยกออกไปข้างนอกไม่ได้เป็นทังขาดขุดค้นกันแหลกลงอยูที่นั่น เันคุณตระเวนนาแสดงมากแสดงสติปัญญายิ่งหมุนเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวเตียวไม่งั้นไม่ทันการนี่นะมันก็รู้ขึ้นมาท่านรู้ขึ้นมาเข้าใจขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อประจักษ์นี่ล่ะรู้ความจริงรู้อย่างนี้อ๋ออย่างนี้เหลอที่ว่าทุกเป็นของจริงเป็นอย่างนี้เหลือมันเข้าใจชัดอุบาสกีอย่างนี้มีแต่อุบายสกีที่แบบที่เล ไม่เห็นประจกักษ์ภายในจิตใจของตนเองมีการนํามาสอนหมู่เพื่อนคนเรามันไม่ได้โงต่ตลอดตายส่วนมากเป็นปกติของนิสัยของมนุษย์เราหวังพึ่งจากผู้อื่นมาตั้งแต่เด็กจนโตไม่หลังจะพึ่งตัวเองเลยแต่เวลาเข้าจนตอบกมมุ ม, มอยงนั้นมันไม่หาที่พึ่งไม่ได้นี่เคยพึ่งใครก็พึ่งมาได้แล้วมันก็ต้องย้อนเข้ามาพึ่งตัวเองเมื่อพึ่งตัวเองก็ช่วยตัวเองมาสิจะยอมให้ตนล่มจมไปได้ยังไงคนเราเมื่อหวังความปลอดภัยไร้ ทุกข์อยู่กับตัวอยู่แล้วจะต้องขุดค้นลงไปจนกระทั่งถึงเอาตัวรอดจนยอดบุญเหมือนที่ลงไปได้มี ก, การปฏิบรรัติทำเราจะได้รับความทุกข์มากน้อยเพียงใดนนก็ตามขอให้ทุกข์ด้วยพุ่มลงไปเพื่อความเพียรขอดถ อ, อนกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่าไปสะละกำลังวังชาความคิดความอ่านกับสิ่งภายนอกให้เสียเวลา เสติปัญญาเสียกํญญาลังวังช า, ปญญาไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่การทุ่มสติปัญญาตัชาความเพียรกําลังวังคาทุกแง่ทุกมุมทุกหยดทุกหยาดฟาดลงไปในความเพียรเพื่อสะท้อนกิเลสนี้เป็นคุณสมบัติอย่างยิ่งทุกๆประโยคน์แห่งความเพียรหนีกิเลสหลุดลอยไปได้กิเลสขาดสะบั้น ไ, ได้ด้วยกําลังวังชาเหล่านี้นเราจรึงชมเชยเนื่องการปฝร่าวาความเพียรเพื่อสะท้อนกิเลสทุกมากน้อยเพียงไรเอาเถอะไม่ตาย นักปฏิบัติซึ่งเป็นผู้ไข่ตอสติปัญญาอยู่แล้วจะต้องขุดพ้นขึ้นมาช่วยตัวเองจนได้ไปเป็นอื่นไปได้เนี่ยกําลังบางช้างเรามีเท่าไหร่ให้ทุ้มเข้ามาเพื่อแก้ที่เดียร์ยาไปทุ่มออกไปภายนอกโยม น, นั่องนี้สร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งกับนั้นยุ่งกับนี้ซึ่งเป็นสิ่งภายนอกนี่ตั้งแต่เสี้ยงแต่น้ําที่จะมาจิ้มแทงจิตใจงเราให้เกิดความหุ่นวายใส่แส่หาหลักฐานของจิตใจไม่ได้เลยจนกระทั่งวันตายเป็นประโยชน์อะไรอย่างนั้น การปฏิบัติธรรมต้องเอาให้มันจริมันจังภายในจิตใจแล้วจะรู้ขึ้นมาไม่สงสัยแหละแต่ จ, จะทําอยู่ตรงนี้ทุกไม่ว่าทุกกายทุกใจมีอยู่ที่ร่างและจิตใจนี้เนี่ยสมุทัยก็ได้จากกิเลสตัณหาทุตประเภทเรียกว่าสมุ ท, ทัยเท่งนั้นแต่ท่านสรุปความลงย่อๆว่ากามตันหาเพรารตันหามีเพราะว่าตันห า, า, า น, หานันที่ราคาชากตาตระต า, ต า, ต า, ตาที่พิรมีนิเนี่ย มันจะฮาราดคไปด้วยความกำหนัดยินดีเพื่อเชิญรุ่นเริงบันเทิงจนลืมเนื้อลืมตัวได้แจ่เนี่ยตามมาตัญหาภาวตัญหาวิพรฒนาหารวมลงมานี่ยอดดังอยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นความจริงอันหนึน่งอยู่ที่ไหนก็ อ, อยู่ที่จิตเนี่ยมาร์กได้ากข้อปฏิบัติอุบายวิธีการต่างๆทั้งประโยคพยายาม ทั้งอุบายวิธีต่างๆที่จะถอดถอนกิเลสด้วยประโยคพยายามนั้นเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหลักสําคัญก็คืออุบายวิธีที่จะ ท, ำทํำกิเลสให้สงบตัวลงไปหนททึ่งทำกิเลสให้ขาดไปโดยลาดับดับตระทั่งขาดสะบ้านจากใจหนึ่งนี่ท่านเรียกว่ามาัดมัดคืออะไรท่านสรุปลงว่าศีลสมาธิปัญญาสมาธิปัญญาเป็นหลักสําคัญศีลเรารักษากันอยู่แล้ ว, วไม่ต้อสงสัยแล้ว สมาธิมันไม่สงบเพราะเหตุายจึงไม่สงบพาดกันลงไปที่หามันหาเห็นความสงบทําไมสงบไม่ได้ทำที่ท่านสอนนี่สอนเพื่อความสงบทางนั้นคป็นอารมณ์ของสมาถะมีอะไรบ้างเนี่ยแต่บริกรรมก็เอามันจริงมันจังแต่กําหนดอะไรเพื่อสมาธิก็ให้มันจริงจังในหลักของสมาธิมันก็ต้องสงบจนได้หรือมันไม่สงบด้วยวิธีนี้จะสงบด้วยปัญญาตีต้อนเข้ามามันหมอบราบมันก็ได้ ที่ว่าอย่างที่ว่าปัญญาอบรมสมาธิซึ่งเคยได้ทำมาแล้วจึงกล้าเขียนกล้าเทศเล่าได้ทํามาแล้วด้วยได้เห็นผลมาแล้วด้วยจึงกล้าพูดกล้าเขียนนี่เป็นอุบายวิธีสองอย่างอย่างที่ปัญญาอบรมสมาธินี่มันสงบได้อย่างอาจฐานอันนี้สงบอย่างเต็มที่ด้วยอาจฐานด้วยสงบลงธรรมดาตามอารมณ์ของสมถานี้ไม่ค่อยอาจฐานสงบลงธรรมดาธรรมดาถ้าพูดตามผลของมันก็ ไม่แนบแน่นเหมือนปัญญาตีต้นเข้ามาเวลามันคึกขนองนั้นเป็นเวลาที่ปัญญาจะต้องค้ายอย่างเต็มเหนียวเอาให้มันหมอบเมื่อปัญญาทันนั้นมันไปไหนไม่ได้หรือมันหมอบเลยนั่นนี่ก็เรียกว่าสมาถะเนี้ย <c oughs> ทําไมจะมีไม่ได้อุบายวิธีที่จะทํากิจให้มีความสงบข่านสอนไม่รู้กี่เนี่ยกี่กระตรง <c oughs> นอปพานาคืออะไรแปลว่าปัญญาใส่จองทิ่นิพพานา ตามเหตุตามผลของร่างกายและอาการของจิตที่แสดงขึ้นมามากน้อยเตินไปในแง่ใดบ้างปัญญาสอดส่องมองมันตามมันไปเสมอสติเป็นผู้ควบคุมงานเถอไม่ได้สติเป็นหนักสําคัญมากประจำงานไม่ว่าจะงานของธรรมถะงานวิปัสสนาสติเป็นสิ่งสําคัญนายควบคุมงานคือสติเรายกจ้องเราเห็นคุณค่าแล้ว ต, ตัสวสติสังขีธรรมวสติสมบัตสัปทียาสติจําต้องปราถนาในจิตทั้งตัวองสังวรที่ทั้งตังวองเป็นหลัก มีเว้นที่ตรงไหนไม่มีนั่นสติเป็นสองขั้นตอนเอาให้มันเห็นนี่เร่างกายนี้มันก็ไม่มากไม่น้อยอะไรนี่ท่านทาไมปัญญาแทงทำไมไม่ทะลุเอาข้างนอกมาพิจารณาเทียบเทียงกับภายในจะพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังมันก็เต็มไปด้วยกองอสุภะอยู่แล้วประชา้าผีดิบเราเห็นกันอยู่ทัดๆในร่างกายของเราและร่างกายของผู้ใดของจาของบคุคคลใดก็ตามมันก็เต็มตัวอยู่แล้วตามหลักความจริงแต่จิตมันถูกกิเลสลากถาลเอถาลายไปท้งอื่นเสีย ไปเศษสันตัญญาอของไม่จริงะผ้าสวยว่างามว่านารักใครชอบใจมันฮัดฮัตจริงหน้าสวยหน้างามรักใครชอบใจที่ตรงไหนเรายังไม่ยอมเชื่อมันได้ของไม่จริงของจริงก็คืออาชีาอาชีพทงเต็มตัวทั้งภายนอกภายในนี่เป็นความจริงตามหลักคำพูดเจ้าค้นเข้ามาให้มันเห็นความจริงในที่จิตมันจะเตลิดเตลเซินไปไหนมันก็เมื่อจิตยอมรับปัญญายอมรับปัญญาที่ทราบซึ่งตามความจริงแล้วมันก็ต้องเหมาะมันต้องถอยตัวเข้ามา นั่นเอเรื่องของปัญญาพิจารณาภายนอกก็ได้เรื่องอาตุธาอธธาตุพังนี่เป็นหลักใหญ่สำหรับจิตในภูมิที่เจะสัณหาการมราคาเอาอาตุธาอธธาตุพังให้มากต่อจากนั้นแต่ก็แยกเป็นอนิจจังสุก ข, ขังอนัตตาไปละเอียดกจเดินแบบสุดท้ายก็ลงอนัตต า, ขข า, ต, าตามพิจารณามามันคงจะเป็นความถนัดตามเจตุลมิสัยท่านนำเราพิงารณาลงไ ป, ไปแล้วมันไปรวมอนัตตาหมด พอถึงอนัตตาแล้วสุดท้ายมันก็เป็นอนัตตาทั้งดวงสะเบธธรรมานานังอทินิเวสาญญา่ายะทำทั้งดวงไม่ควรถือมัน่นนั่นคำว่าไม่ควรถือมั่นอะไรมันเป็นอนัตตาทั้งสิ้นสเบธธรรมานตาทำทั้งดวงเป็นอนัตตาทำทั้งดวงหมายถึส ม, มุดทั้งมวลนั่นเป็นอาัาตาทั้งสิ้นอดหมดถึงขั้นที่จะควรปล่อยหมดแล้วอะสะเบธธรรมานตาทำ ทั้งฟวงเป็นหน้าตาสิ้นนะมันบอกทำทั้งฟวงไม่ควรถือมั่นเนี่ยเวลาถึงขั้นแล้วไม่ถือมั่นต่อหมดตัวเองผู้ปล่อยก็ไม่ถือมั่นในตัวเองรู้ลอกขอบคิดอดีตอนาคตปัจจุบันรู้เท่าทันทั้งนั้นปล่อยขาดสะบั้นไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออำนาจของปัญญาเป็นอย่างนี้นี่แหละสัจธรรมธรรมนิโรดนิโรธคืออะไร ก็เป็นผลเกิดขึ้นอย่างมากที่ดับที่เลวไปโดยลาดับลาดับนั่นเลยที่เลวดับมากน้อยก็ความดับทุกซึ่งเป็นผลของที่เลวมันก็ต้องดับไปตามหลักธรรมชาติของมันแต่ท่านแยกสามอาการระฟุกสูมูทัยนิโรธมารถเหนวอย่างนั้นมันก็เหมือนเราตามไฟขึ้นเนี่ยความมืดมันก็ดับไปไม่ใช่ว่บตามไฟแยกจะไปเที่ยวหาําจัดความมืดมันนักเป็นอยู่ในฉากเดียวกัน พอดับไปลงรพระความมืดก็ปรากฏขึ้นมาในขณะเดียวกันหอเปิดไปขึ้นความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปอันนี้ครับปัญญาญานได้ปรากฏขึ้นเต็มที่ความมืดไม่ว่าจะอยู่ในซอกใดมุมใดของจิตมันหายไปหมดราบตัวไม่มีเลยเหลือเลยนัตติ ป, ปัญญาสมาอาภาิธรรมตอนสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่หมึ่ง ปัญญาเป็นขั้นๆเริ่มเป็นความสว่างเป็นตามขั้นของปัญญาถึงขั้นสุดยอดแล้วเป็นมหาสตมหาปัญญาเอาเป็นปัญป ญ, ญาวิมตุตถึงว่าวิมุติอันใดปัญญานั้นปัญญาอใดสติอันนั้นถูกไม่มีค้านเมื่อถึงขั้นไม่ค้านแล้วค้านไม่ได้เป็นหลักธรรมชาติของของความจริงอย่างนั้นเองแต่หลักของสมุตี่จะ ก, ก้าวเข้าสู่วิมุตติก็ก็ต้องเป็นไตามขั้นของตนเช่นมหาสติมหาปัญญา อันนี้เป็นขั้นดําเนินมากเพื่ออรหัตต ม, มักกระท่าเกเรดอ ย, ย่างละเอียดได้ด้วยหน้าของมหาสิบมหาปัญญานี้่พอผ่านเกเรดทุกประเภทไปหมดแล้วด้วยหน้าของมหาสิมหาปัญญานี่แล้วทำทั้งสองคือมหาสิมหาปัญญานี้ก็หมดหน้าที่ไปเพราะอันนี้ก็เป็นสมงนุนเหมือนกันไม่มีปัญหา จะเรียกปัมหาสติมหาปัญญาอย่างตะกอนไม่ได้ไม่เรียบไม่คัดไม่ค้าออนเพราะนี่เป็นคู่กันกับกิเลสอวิชชาปราบกันตรงนั้นคู่ปราบกันพอเลยจากขั้นนั้นไปแล้วจะเรียกว่าสติจะเรียกว่าปัญญาไม่สำคัญทั้งนั้นนอกจากมีเหตุอะไรเกิดขึ้นดังที่ท่านพูดไว้ในหลักข้อในเช่นพทยหันถูกโจทย์ เป็นสังขาปาราธิษฐไรนี้ท่านเป็นผู้นี้ท่านเป็นสติวินัยว่าอย่างนั้นเอามาราบกันเท่านั้นเองอ่ะท่านเป็นสติวินัยนั่นคือสมมุติพูดง่ายๆวะท่านบริสุทธิ์แล้วมีฐานะอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องของนี้นี่ไม่ใช่ฐานะของท่านเนี่ยพูดง่ายๆยกเอามาราบกันเช่นนนั้นถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วท่านท่านเองท่านไม่สำคัญตนท่านว่าท่านมีสติที่ท่านขาดสติ พระจักอยูภายในใจก็คือบริสุทธิ์เต็มที่แล้วคือหมดเรื่องส ม, มุติทั้งปวงภาณนจิตใจแล้วเท่านั้นนี่คือเต็มคมของคงจุดคมธรรมท่านมันท่านหมดความทั้งภายในใถึงนิพพานแล้วท่านก็ไน่ว่าถว่านิพพานิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาตินั้นเป็นอะไรก็รู้อยู่กับใจแล้วสงสัยอะไรไปหาชื่อหาเสียงอะไรที่ไหนอีกนอกจากจะนํามาสอนโลกก็ต้องแยกแยกออกไปตามท่านตามสมุด ขอใผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงหนักแน่นในการปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นสิ่งสาคัญกว่าการแรก้กิเลสและอย่าเห็นโทษใดมีโทษยิ่งกว่าเรื่องของกิเลสและอย่าเห็นคุณใดมีคุณค่า ย, ยิ่งกว่าการปราบปรามกิเลสในฝ่ายมากและฝ่ายผลซึ่งเจ้าของจะมีคุณค่ามาาหาศาลหาที่เปรียบได้แล้วในโลกของสานีเอาตนกับตายก็ให้ กำลังบางชาติมอบลงเพื่อการตัดถอนกิเลสอย่างเดียวอย่าไปให้เสียวเวลาเวลาความคิดความตรุงอะไรอะไรไปเปล่าๆโดยกิเลสไม่ลอดปอกเกิดเลยสติปัญญามีมากน้อยให้คุ่มเข้ามาตรงนี้คุ่มเข้ามาตรงนี้ตรงกิเลสอยู่นี้คิดเรื่องอะไรให้เป็นเรื่องอันเรื่องทำเพื่อท่ากิเลสทางนั้นอย่าไปคิดเรื่องส่งเส ร, ริมกิเลสเพราะมันมีอยู่แล้วมันเต็มหัวใจยอยู่เวลานี้เราจะไม่ชราบอยู่แล้เอาให้มันจริงมันจังริงเราอยากรู้อยากเห็นหมู่เพื่อน ได้เห็นผลในการกระพื่อปฏิบัติตามที่แนะนําสั่งสอนนี้เพราะเราสั่งสอนเต็มอัดเต็มทาเต็มคูมของเราจนกระทั่งเรามีความสามารถที่จะสั่งสอนหมู่เพื่อนได้แล้วก็ให้มันรู้ว่าถึงภุมจิตคุมธรรมขั้นใดเราจึงไม่สามารถสั่งสอนหมู่เพื่อนได้อีกต่อไปแล้วก็ให้มันรู้เวลานี้ยังแน่ใจอยู่ว่ายังไม่ได้จกใจกับหมู่เพื่อนในการกู้ปฏิบัติที่รู้เห็นอังไดพอให้เราได้แก้ ในประเทศดอย่างนั้นจนหมดลงหมดแล้วจะตายไปหมดผลที่ปรากฏขึ้นมานี่ยังไม่เห็นนี่จึงไม่เป็นที่สนใจเห็นอะไรให้สําคัญยิ่งกว่าจิตนะเครื่องอนั้นเป็นเครืงเครื่องอาศัยไปช่วยการช่วยเวลาบําบัดบรนเทากันไปอย่างนั้นแหละพอให้มีกําลังวังชาต่อสู้กับที่เหลือนี่เรื่องสําคัญอยู่ที่ตรงนี้อย่าไปหาความสุข ด, ด้วยการจรินการดื่มการหลับการนอน เรืไม่ใช่เป็นเรื่องนั้นแต่ทำให้กิเลสจะเพื่น อ, อันนั้นเป็นเครื่องอาศัยเชื่วการชื่อเวลาชอบบ้าบัดบรรพาวันไปทนนเท่านั้นให้ถือเพียงเท่านั้นอย่าไปถือเป็นสัาคันธในเรื่องแบบนั้นแล้วทําท่าไหร่จะด้อยลงกิเลสจะพองตัวขึ้นมาโดยไม่รู้สึกจิตใจให้จิตจใ จ, ตจให้จอบความมุ่งมั่นให้หนักแน่นแล้วความเทียนก็จะตามกันมาความอดความทนความอุตส่าหพยายามทุกทิ้งทุกอันทุกด้านทุกทางจะ หมุนตามกันมาเพราะความมุ่งมั่นนี้เป็นของสาคัญมากผล ม, มันทำทำมาอยู่กันเป็นจำนวนมากความสามัคคีกันเปนสิ่งสําคัญนะเรื่องการละแค่ราคาสะลอะว่าแว้งกันนั้นนะ่ะให้ทราบว่านั้นคือที่เลียกตัวหยาบที่สุดพุมมามุ่งอดัดมุ่งทำให้มีอย่างนี้ขึ้นมาไม่ได้อันไหนเป็นอัดเป็นทำอันไหนเป็นเหตุเป็นผลให้ยึด อ, อตรงนั้นเอานั้นเป็นหลักใจ ยาวกิเลสออกมาอวดกันนะสิ่งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสหยาบที่สุดเลยแสดงออกมาจากรายใดก็ตามแสดงว่ารายนั้นหยาบมากมาขายความเร็วซ้ำจะของให้หมู่เพื่อเห็นตัวอาจารย์เห็นไม่สงวนอย่างนี้ทพร้อมเพียงอะไรกันนั้นเนี่ยเป็นลำใหญ่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มีสติทําด้วยความตรงใจเคลื่อนไหวแต่มาที่ไหนหมีสติอยู่ภายในตัวเสมอเสมอ พอเสร็จแล้วก็รีบเข้าประจำที่อย่ายวสองตามคามําข้าเคลือนเนี่ยไม่ใช่โอ้เอออยู่ตามครัวตามเตียงเด้งับเหตุหผลไม่ได้ามากระมาเฉพาะการเวลาที่ควรมาเท่านะั้นคือจะอยู่ก็อยู่ที่นีก่ก็อยู่อยู่ตะกอดความเพียรที่ตะกอดเราไม่เห็นอะไรยิ่งต่อความเพียร น, นะถึงนี่เป็นสิ่งที่เรามุ่งอย่างยิ่งรับหมู่เคื่อนไว้เพื่ออันเนื่อ เราไม่รับไว้ยเสือบำรุมบำเลอเราให้รับความสะดวกสบายเพราะหมู่เชื้อมีมากหรือประดับบารมีเราไม่เคยแม่แม่สายหนึ่เราก็ไม่เคยมาคิดเลยเรื่องแบงนี้เราเป็นคนว่าขนามน้อยไม่เคยสนใจกับเรื่องแบบนี้เลยมีหน้ามีตามีเพื่อนสูงนี้มาอยู่ด้วยหลายองค์มาบำรุงบำเลอให้รับความสะดวกสบายมีญาติโยมเข้ามาเคารพนับถือมีมากจะยิ่งภุมอกคุมใจโออาเรามีไม่ได้อย่างนั้นเราไม่มี เพาะฉะนั้นถึงกล้าพูดก้าดุคนในเมื่อผิดไม่ว่าชาติท่านมาหน้าไหนเราไม่เคยเอาสิ่งนั้นมาไปดูปจักในการตัดเกียงดูด่าว่ากล่าวเลยเพราะการตัดเกียงดูด่าว่ากล่าวนี้เราสแสดงออกมาด้วยความเป็นธรรมทั้งนั้นอย่างที่พูดตะกี้นี้นะผมเป็ขนข้าราช ก, การใหญ่โตเท่าไรเรายิ่งไม่รับ นิสัยนั่นมาเสั่งมาแล้วมาขวางหมู่เพื่อนขวางหมู่เพื่อนแเราคืออะไรก็ขวางทำมันเองนี่ลำบากผมไม่เลยจพยุงกันให้เบาอกเบาใจนอกจากมันกดท่วงกันลงไม่มีเจตนาก็ตามมันกดท่วงได้เราจึงต้องระวังเฉพาะนั้นวันนี้ยุงไม่ค่อยมีพระราชการใหญ่ๆเริมโตมาบวชใหเท่าไหร่ยิ่งชิกขีมานะ ความถึง่าถือตัวเป็นสายสาัดานั้นมันต้องงใหญ่โตด้วยเหมือนกันนั่นแหละนำถึงที่มันฝังวัดวังมาฝัางหมู่วนขวางอัดวางทำผลลัรับแต่ละลายล้าเบีย้ยอะไรทนแหละก็ยังอะไรพันเอตอาชราอย่า น, นี้นั่นเหมือนั้นเป็นต้นอขอนลลทั้งละหนผลผลลัพลลที่ก่อนจะนักเอาวันเต็มที่้ ก, ก่อน มีเวลาจะบวชนี่บวชนี่เวลามานี่จะเอาท่านเอกอัิล่ามาด้วยไหมหรือจะมาแต่พระอัสสุรา่าบวชนีมาแต่พระอัสส่าเท่านั้นท่านเอกอัิสุร่าที่กรุงเทพจะมาจะเอามานะเอามาแล้วเกิดเรื่องกันก็บอกเวลามาถึงปับนี่ท่านเอกอัิล่ามาด้วยหรือเปล่าเนี่ยหรือมาแต่พระอัสศิลาหรือมาทั้กันทั้งสองโอห่าท่านเอกอัิลุรายุ่กรุงเทพไม่มาด้วย เองางั้นปฏิบัติไปคนดุดดุไว้เลยแ่ะครูไว้เลยทํำไมผิดแล้วก็ไม่ว่าเพราะการกล้องหาของดีนี่นะแล้วมันจะพูดเพื่ออะไรทั้งนั้นนอกจากรับคำเนื้อผิดแล้วก็ไม่ว่าอะไรเช่นหนึ่งถาอาชีพเรามาอยู่นี่ตลอดพรงษาเราเคยได้ดุสักคำไหมเราไม่เคยได้ดูก็ไม่ผิดดูอะไรแล้วถ้าขูไว้พอเสียเรมันออกข้องี้ง่ายที่สุดคึงต้องติดช่อบมันไว้ก่อน หรือเด่กก็มาพามึงสีส่ห้าวันในนได้ขูนขนาดนั้นเขาไปูกันอยู่ข้อนจกนกันะไม่ยังเคยเห็นอาจารย์ตรนี้เนี่ยเออจะอายท่านว่างั้นสามีเอพอเขอกว่าจะอายท่านคุณอาจัานเนี่ยไปพบกันไปคุยกันโอยท่านเอาอย่างนั้ น, นจริงแล้ ว, วไม่ร่าใครนะท่านเอาอยงนจริงจรงามารู้เรื่องทีหลังมรู้เรื่องรู้ไม่รู้กันแล้วแต่และ เห็นไหมเราบรรมาเล่ากับเห็นพระกันมาด้วยกระจอประแจกันเป็นอย่างนั้นนี่สร็ของพระทุกวันนีประจบกระแจงกระจอประแจกันมันความเอื้อเฟื้อกลายเป็นบอยเขาไม่รู้ตัวบ๋ยของยกขาบรรดาศักดิ์ของสมบัติบริวารของโลกเขามันมิเสดอะไรพระอย่างนั้นทำเป็นของมิเสษอยู่แล้วไม่สนใจก็สนใจก็บสิ่งอย่างนั้นมันมิเสดอะไรพระ อย่นี้ไม่ได้ไม่เอาไม่เล่นด้วยถ้าอะไขัดประการไม่เล่นนด้วยเราเติมที่สิถีพิถันตายแล้วตายได้ด้วยเลยไม่เสียดายละคุณช่ทําแล้ ว, วลยอมเลยจ้เลือกอื่นเราไม่ยอมตายด้วยถ้าเป็นคําแล้วยอม